ลสกาณาในนี้เริ่มแรกอาตามามาจํำรรษาที่วัตถนประทานก็เกี่ยวข้องกันเรื่องกรรมฐ า, านที่วัตถนประทานเจ้าคุณปัญญาพร้อมด้วยเ จ, จ้าคณะจใจมัดเลยและคณะสงฆ์อีก่ดีมากๆลงมาตีให้อาตามามาจํำรรษาที่วัตถนประทาน มีมจาจำภาษาเทาสุนทานก็ปลากฏว่วานีโยมคนหนึ่งคือคุณวิโลกสิริยะและมหาสุขสันเราเป็นประวัติเรื่องมัสสนามใ น, ไ, นไม่เป็นลักลางมาไม่มีพระไม่มีเมนลกลงลังใครมาก็กอง ว, ว่ามีที มีอะไรต่างๆไม่มีคนเข้ามาเมื่อได้พู้กันตกลงแล้วอาตมาก็ให้ลูกศิษ์หลายท่านเข้ามาอยู่ที่ตกนี้ทีแรกอาตมาก็ยังมาไม่ได้เพราะยังมีการเกี่ยวข้องกันการปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสุนทานก็ต้องจันทรรษาที่วัดสุนทานอีก ยัตีพร้อมกันทั้งสองปีปีแรกกับปีที่สองก็เลยมาจำภาษาที่ตรงนี้เมื่อมาจำภาษาที่ตรงนี้ก็อยางให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพราะวัดต่างๆนั้นมีการก่อสร้างวัตถุ ก, กันมากเส้นโบสถ์เจดีอะไรต่างๆนั้นสร้างกันมากแล้ว ที่วัฒนธรรมในไม่ต้องสร้างอะไรมากเพราะว่าเราจะดูธรรมชาติต้นไม้ตอใบไม้พื้นดินมันทำประโยชน์อะไรให้คนได้เมื่อเรามาศึกษาที่ตรงนี้ออกพ็พร้อมๆ ก, ก, กันกับลูกศิษย์หลายท่านได้ตกลงกันเอาไว้ว่าไม่ต้องสร้างอะไรมากเพียงมีกุฏิเล็กๆ น, นแล้วก็องกัแบบกันฝนเล็ก ๆ, น, ๆน้อยเมื่อตกลงกันเช่นนั้นก็ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้เมื่อถึงตอนนี้ก็ยัโคงที่พื้นที่ก็ยังเหมือนเดิมดังนั้นบัดนี้จึงเป็นสถานที่ปฏิบัติทุกคนมาปฏิบัติได้ ที่วัฒนธรรมในความตึงอยู่ของพระเดชตอนเช้าสี่สี่จัตงตีละครั้งธรรมะเช้าพอดีธรรมะเช้าเสร็จเขาอบรมกันให้โอว่าแนะนำแนวทางปฏิบัติกันภายในสามสินาทีหรือยี่สิบนาทีและเจอโอกาสที่จะเหมาะสม เมื่อให้อวาตต์พอเหมาะพอควรแล้วก็ออกบินทบาทเมื่อไปบินทบาทมาแล้วอาหารตกในบาสมาทุกคนแม้ปัจจัยก็ตามเลยมากคนกรุงเทพต้องมีปจัจจัยเป็นในบาสไม่เหมือนกับอย่างที่บ้านนอกอย่างที่เป็นหนบดบ้านนอกในฝรี น, นี้คนกรุงเทพต้องมีสตาร์มีซองมีซองปัจจัย ใจมาในบาปเมื่อมาถึงกบเก็กบออกให้หมดเก็บปัปจจัยออกในบาทอาหารเก็กบออกในบาทมีกระมังคอยรับไว้เมื่คนหนึ่งก็ป่อยเก็บเอาอาหารจากกระมังมาไว้ไปเป็นล้อโย่ไปแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็เอาไว้กินสันกลางวันส่วนหนึ่งก็เอาไว้ชั้นตอนเช้าเสร็จแล้วก็จ้องตีหลักฐงงานทำหน้าที่ พระเดินก็นเดินมาสเมื่อสัมแล้วพระเดินก็ไปบ้างถ้วยร่างกร า, า ร, ราาตัวเองร่างบาตัวเองตัวเองแล้วก็มาทำธุระหน้าที่ของตัวเองปฏิบัติตัวเองรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองต้องมีหน้าที่อย่างนั้นวัดสมนั้นตอนกลางวันก็เป็นการตอนเช้าครตอนเย็นแบบนี้เวลา ตีสี่เวลาสี่โมงหรือห้าโมงก็ตรงตีละครั้งทาวัดเย็นกันเมืเ่อทำมาเย็นเสร็จแล้วก็ดำเนการอบรมกันให้ทอดทิศเรีนสนจิตจิตใจกันเพื่อให้รู้ให้ปฏิบัติแต่ไม่ใช่จะมาเล่นเล่นแต่โดยมากวัสนารมในไม่เดือดร้อนเพราะว่าไม่มีอั จ, จเรียขลาบมากไม่มีคนจะเข้ามาอยู่ มาอยู่ก็เฉพาะสุคค้ที่ต้องการปฏิบัติจริงปฏิบัติเรียอรู้คนที่ไม่อยากรู้ก็มาอยู่ลำบากลำบนํำคาญไม่อยากดูดังนั้นที่มาอยู่ น, น้อยๆอย่างที่ล่มไม้ต้นไม้มันเป็นธรรมชาติของมันแล้วแล้วก็มาศึกษากับธรรมชาตได้